เมื่อนาระธดาบทไปแล้วมีดาบทอีกรูปหนึ่งชื่อมิคาชินะออกจากสมาบัติตรวจดูโลกเห็นพระมหาสัตว์จึงมาแล้วดุดกันด้วยคิดว่าเราจะถวายโอวาทพระมหาสัตว์เพื่อประโยชน์ให้มหาชนกลับพระนครจึงสถิตยอยู่ณอัมพรวิถีจำแดงตนให้ปรากฏแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระชนกพระองค์ทรงละช้าง มาชาวนครและชาวชนบทเป็นอันมากผนวดแล้วทรงยินดีในบาดชาวชนบทมิตรอมัดมและพระญาติเหล่านั้นได้กระทำความผิดแก่พระองค์หรือเหตุไรพระองค์จึงละอิสริยสุขมาชอบประทไทยซึ่งบาดนั้นคำว่าในบาดกปันเลในคาถานั้นท่านกล่าวหมายถึงบาดดินมีคำอธิบายว่า เมื่อมิคาชินะดาบททามถึงเหตุแห่งบรรพชาจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านมหาชนกท่านละความเป็นใหญ่เห็นปานนี้ผนวดแล้วท่านยินดีในบาดดินนี้คาว่าความผิดทูพิงความว่าพวกเขาเหล่านั้นได้กระทำความผิดอะไรๆในระหว่างต่อท่านบ้างหรือเพราะเหตุไรท่านจึงละอิสริยสุขเห็นปานนี้ มาชอบพระไทยบาทดินใบนี้เท่านั้นแต่นั้นพระมหาสัตตร์ตรัสว่าข้าแต่ท่านมิคาชินะข้าพเจ้ามิได้ผจญซึ่งญาติไร่ไร่โดยส่วนเดียวในการไหนไหนโดยอธรรมแม่ญาติทั้งหลายก็มิได้ผจญซึ่งข้าพเจ้าบรรดาคาเหล่านั้นคำว่าข้าแต่ท่านมิคาชินะมิได้นะมิคาชินะได้แก่ ข้าแต่ท่านมิคาชินะผู้เจริญคาว่าชาตุดเฉแปลว่าโดยส่วนเดียวนั่นเทียวข้อว่าข้าพเจ้าไรไๆในการไหนไหนอหังกินจิกุธาจันังความว่าข้าพเจ้ามิได้ผจญซึ่งญาติไรๆในการไรๆโดยอธรรมแม้ญาติเหล่านั้นก็มิได้ผจญซึ่งข้าพเจ้าโดยอธรรม อธิบายว่าไม่มีญาติคนไหนได้กระทําความผิดในข้าพเจ้าด้วยประการชนีพระมหาสัตว์ทรงห้ามปัญหาแห่งมิคาชินะดาบทนั้นอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงเหตุแห่งการทรงผนวดจึงตรัสว่าข้าแต่ท่านมิคาชินะข้าพเจ้าเห็นประเพณีของโลกเห็นโลกถูกกิเลสขบกัดถูกกิเลส ท, ทาให้เป็นดังเปลือกตม จึงได้ทำเหตุนี้ให้เป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าปุถุชนจมอยู่แล้วในกิเลสวัตถุใดสัตว์เป็นอันมากย่อมถูกประหารและถูกฆ่าในเพราะกิเลสวัตถุนั้นดังนี้จึงได้บวชเป็นภิกษุบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าประเพณีของโลกโลกะวัดตันตังความว่าข้าพเจ้าได้เห็นวัต คือประเพณีของสัตว์วโลกผู้โง่เขลาผู้ไปตามวัฏฏะเราเห็นดังนั้นข้าพเจ้าจึงบวชพระมหาสัตว์ทรงแสดงดังนี้ข้อว่าถูกกิเลสขบกัดถูกกิเลส ท, ทำให้เป็นดังเปลือกตมขัดชันตังกัทธมีกตังความว่าเห็นสัตว์วโลกถูกกิเลสขบกัดและถูกกิเลสเหล่านั้นแหละทำให้เป็นดังเปลือกตม คำว่าจมอยู่แล้วในกิเลสวัตถุใดยัตทะสันโนความว่าอุทุชนจมคือค้่องคือจมลงในกิเลสวัตถุใดสัตว์ทั้งหลายเป็นอันมากต้องอยู่ในกิเลสวัตถุนั้นย่อมถูกข่าบ้างย่อมติดอยู่ในเครื่องผูกมีโซ่และเรือนจำเป็นต้นบ้างคำว่าข้าพเจ้าเหตุนี้เอตาหังความว่า หากแม้ข้าพเจ้าจะติดอยู่ในกิเลสวัตถุนี้ข้าพเจ้าก็จกถูกฆ่าและถูกจองจำเหมือนสัตว์เหล่านั้นดังนั้นจึงทำเหตุการนั่นแหละให้เป็นอุปมาหแห่งตนแล้วบวชเป็นภิกษุพระมหาสัตว์เรียกดาบทนั้นว่ามิคาชินะพระมหาสัตว์ทรงทราบชื่อของดาบทนั้นได้อย่างไรทรงทราบเราทรงถามไว้ก่อนในเวลาปฏิสันฐาน ดาบทใครจะฟังเหตุการณ์นั้นโดยพิสดารจึงกล่าวคาถาว่าใครหนอเป็นผู้จำแนกแจกอัดสั่งสอนพระองค์คำอันสะอาดนี้เป็นคำของใครพระองค์ผู้เป็นจอมทัพเพราะว่านักปราดทั้งหลายไม่เรียกผู้บำเพ็ญวัดซึ่งจะให้ก้าวล่วงทุกได้โดยเว้นกัปปะและวิชาว่าเป็นสมณนะบรรดาคำเหล่านั้นคำว่า นี้เป็นคาของใครกัตเสตังความว่าคำอันสะอาดนี้คือที่ท่านกล่าวเป็นคาของใครคำว่ากัปปะกัปปังได้แก่ดาบทผู้เป็นกรรมวาทีผู้ได้อภิน ญ, ญาสมาบัติอันสำเร็จเป็นไปแล้วคำว่าวิชาวิชังได้แก่พระปจเจกพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยวิชาคือ อาสวัคขยะยานท่านอธิบายไว้ดังนี้มิคาชินะดาบทเรียกพระเจ้ามหาชนกราชว่าระเถสภ ะ, ะนักปราชทั้งหลายเรียกบุคคลผู้ประพฤติวัดโดยประการที่จะให้พ้นทุกว่าเป็นสมณนะโดยบอกคือเว้นโอวาทของกับปะสมณนะและวิชาสมณะหามิได้บุคคลฟังคำของท่านเหล่านั้นแล้ว จึงอาจปฏิบัติอย่างนี้ได้ฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าใครหนอเป็นผู้จำแนกแจกอัดสั่งสอนพระองค์ลำดับนั้นพระมหาสัตว์กล่าวกระดาบทนั้นว่าข้าแต่ท่านมิคาชินะถึงข้าพเจ้าจะเคารพสมณะหรือพรามโดยส่วนเดียวก็จริงแต่ก็ไม่เคยเข้าใกล้ไต่ถามอะไรอะไรในการไหนไหนเลยบรรดาคำเหล่านั้น คำว่าเคารพสักกตาวาได้แก่บูชาเพื่อต้องการจะถามคุณแห่งการบรรพชาคำว่าไม่เคยเข้าไปใกล้อนุปาวิสิงความว่าพระมหาสัตว์ตรัสว่าข้าพเจ้าไม่เคยเข้าใกล้ใครๆไม่ถามสมณะไรๆเลยเพราะพระมหาสัตว์นี้แม้ฟังธรรมในสำนักของพระปัเจกับพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็ไม่ถามคุณแห่งการบรรพชาโดยเฉพาะในการไหนไหนเลยฉะนั้นท่านจึงตรัสอย่างนี้ก็แลครั้นตรัสอย่างนี้แล้วพระมหาสัตว์จึงตรัสคาถาเพื่อทรงแสดงเหตุที่ ท, ทรงผนวดตั้งแต่ต้นว่าข้าแต่ท่านมิคาชินะข้าพเจ้านั้นรุ่งเรืองด้วยสิริไปยังพระราชอุทยานด้วยอนุภาพใหญ่เมื่อเจ้าพนักงานกาลังขับเพลงขับ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 เห็นต้นมะม่วงที่มีผลถูกคนเบียดเบียนกำจัดแล้วปราศจากใบและก้านแต่มะม่วงอีกต้นหนึ่งมีใบเขียวชะอุ่มน่ารื่นรมศัตรูทั้งหลายจักฆ่าพวกเราผู้มีอิสระมีศัตรูดุดนาำเป็นอันมากเหมือนต้นมะม่วงมีผลถูกคนหักโคนฉะนั้นเสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาคนมีซั์ถูกฆ่าเพราะซั์ ใครเล่าจักข้าผู้ไม่มีเย้าเรือนผู้ไม่มีสันทวะคือตัญหามะม่วงต้นหนึ่งมีผลอีกต้นหนึ่งไม่มีผลทั้งสองต้นนั้นเป็นผู้สั่งสอนข้าพเจ้าบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าอันไพเราะวัคคุสุความว่าเมื่อดนตรีมีเสียงไพเราะอันบุคคลประโคมอยู่คาว่าอันกึกก้องด้วยเสียงดนตรี ตุริยะตาลิตะสังขุดเถความว่าในพระราชอุทยานที่กึกก้องด้วยเสียงดนตรีทั้งหลายคําว่าพร้อมด้วยคนร้องและคนประโคมดนตรีสัมมาตาละส ม, มาหิเตความว่าประกอบด้วยคนขับร้องและคนประโคมทั้งหลายคําว่าข้าแต่ท่านมิคาชินะข้าพเจ้านั้นสมิคาชินะ ความว่าข้าแต่ท่านมิคาชินะข้าพเจ้านั้นได้เห็นแล้วคำว่ามะม่วงมีผลพลิงอัมพังความว่ามะม่วงมีผ ล, ล, ค, มมผลคือต้นมะม่วงที่ผลิตผลคำ ว, ว่านอกกำแพงติโรดฉทังความว่าได้เห็นต้นมะม่วงภายนอกกำแพงคือเกิดอาศัยอยู่นอกกำแพงซึ่งตั้งอยู่ในภายในพระราชอุทยานนั่นแหละ คำว่าฟาดตีอยู่ตุทะมานังได้แก่ถูกฟาดอยู่คำว่าลงโอโรหิตวาความว่าลงจากคอช้างคำว่าปราศจากใบและก้านวินาลีกตังได้แก่ทําให้ปราศจากใบไร้ก้านคำว่าฉะนั้นเอวเมวะได้แก่ฉันนั้นนั่นเทียว คำว่ามีผลผาโลได้แก่สมบูรณ์ด้วยผลคำว่าเพราะหนังอะชินาหิได้แก่เพื่อต้องการหนังคือมีหนังเป็นเหตุคำว่าเพราะงาทันเตสุความว่าถูกฆ่าเพราะงาทั้งสองของตนคือถูกฆ่าเพราะงาเป็นเหตุคำว่าถูกฆ่าหันติได้แก่ถูกประหาร คำว่าผู้ไม่มีเย้าเรือนผู้ไม่มีสันทวะอนิเกตมะสันทวังความว่าก็ผู้ใดชื่อว่าอนิเกตะเพราะละเย้าเรือนบวชชื่อว่าอสันทวะเพราะไม่มีสันทวะคือตันหาซึ่งเป็นวัตถุแห่งสังขารทั้งปวงอธิบายว่าใครจะฆ่าผู้นั้นซึ่งไม่มีเย้าเรือนไม่มีสันทวะ คำว่าทั้งสองต้นนั้นเป็นผู้สั่งสอนเตสัทธาโรความว่าพระมหาสัตว์กล่าวว่าต้นไม้สองต้นเหล่านั้นเป็นผู้สั่งสอนข้าพเจ้ามิคาชินะดาบทได้ฟังดังนั้นแล้วจึงถวายโอวาทแ ด, ด่พระราชาว่าขอพระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดมหาบาพิตรแล้วกลับไปยังที่อยู่ของตนทีเดียว